ข้าวัตตาธรรมะรวตาตังข้รวตาติอิมาตาธรรมะสิยาญาติโตตาหายาสัมพันตินตัดโตติโอกาสณาธมะ เป็นการสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้สงใจในธรรมะอันเป็นหลักปฏิปันบังนอ่นท่านทั้งหลายได้ขอรองร้องต่อพระพุทธเจ้าว่าขับละสมด้วยคามตารวจเรามาฟังธรรมกัน แต่ผู้แสดงตามก็ต้องคาราวะต่อพระพุทธเจ้าและธรรมพระสง์ผู้ฟังก็ต้องแสดงตามคารวะต่อพระพุทธเจ้าและธรรมพระสงฆ์ทางนี้ก็อเปิดเป็นการล้อมสิทธน้อมใจลำเล็กถึงอกุลของตมเดจประมาสัิพุทธเจ้าซึื่อจะปรากฏในความรู้สึกของผู้มีธรรม กาโรโลดึกรําเลิกผิดชอบั่วดีที่มีอยู่ในจิตของท่านนั่นคือคุณของพระสุพิธย า, า, าความทันจิตทันใจให้มีความเที่ยงธรรมยุติธรรมอยู่ตลอดเวลานั่นคือทาคุณของกระทำอิริยาที่มีสติสังวรระวังตั้งใจแต่ละทั่วประเพฤติปานดีทันจิตให้บริสุทธิ์สอาดนั่นคืออิริยาแห่งความมีประสงค์ในจิตในใจ บัดนี้เราท่านทั้งหลายมีคุณพระพุทธจทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจของเราแลว้วเราจะได้น้อมจิต น, น้อมใจเพื่อจะฟังธรรมการฟังธรรมควรจะได้ฟัง จ, จิตจิตใจของตัวเองเพื่อหาแห่งการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะ เพื่อให้เข้าใจหลักปฏิบัติและเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรากันจริงๆอาศัยกายหลักใจเป็นหลักก็ทำ ม, มาั้งนี้ทางนั้นที่ท่นทานบรรทึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายหัใ ก, ใ, กใจทางนั้นตลาดใจที่กายหัใกใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่รู้กันอยู่ โลภนิยก็ย่อมปรากฏในความรู้ของเราเมื่อตายจัดใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ความรู้สึกนึกคิดความเคลื่อนไหวไปมาก็ย่อมปรากฏหากตายจัดใจแยกออกจากกันเมื่ อ, อไรกายก็จะากายก็จะต้องนอนแน่เองทำอะไรไม่ได้ ใ จ, ใจใจที่เลาอาิแยกออกจากกายไปแล้วก็มีสภาวะรู้ ป, าปรากฏอยู่เกยดทำอะไรก็ไม่ได้เั้งนั้นแต่เมื่อสองอย่างมาสัมผัสกันเข้าเมื่อไรความเคลื่อนเคลื่อนไหวในเรื่องวารคิดและการกระทำย่อม ป, าปรากฏขึ้นเมื่อ น, นั้นดังนั้นถ้าหากสมมติว่าเราจะเป็นนักปฏิบททัติธรรม เอาการเศสเชีเยนแค่ว่ามากันโดดตด่นทำปฏิรูปไว้ทิ่จิตของเราเพียงอย่างเดียวเราอาจจะไม่ตั้งใจแลกคิดอะไรทั้งสิ้นเป็นเศสเพียนทำจิตให้ว่างอยู่ทั่วกระดานหนึ่งโดยเรามาทำตามรู้สึกไว้ในใจว่าดูที่จิตของคดเราจะว่างตลอดการได้หรือไม่ เข้าใจว่าจิตไม่มีโอกาสที่จะว่างได้เมือ่อจิตไม่มีโอกาสที่ว่างได้เธอเขาไม่จยู่จิตนั่นเองบางทีถ้าความคิดของเราไม่มีสติสัมปชัญญะตามรู้ทันความคิดก็กลายเป็นความคุงสัจนแต่ถ้าหากว่าความคิดในขณนะที่มีสติตามรู้ทัน ความคิดนั้นจะกลายเป็นปัญญาของจิตพราะโดยธรรมช า, าติของจิตถ้าหากว่ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งะระลึกความรู้แจ้งเห็นจริง ย, อยอง่อมปรากฏขึ้นแกจ่จิตขอผู้ตั้งใจที่จะกำหนดดูอยู่ตลอดเวลาดังนั้นหลักการปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้ไประโยชน์กันอย่างแท้จริง เราควรจะได้ทําจิตของเราให้มีสิ่งรู้ทำตัณิ์ของเราให้มีสิ่ ง, ะงระลึกพระอาจารย์ใหญ่แห่งธรรมฐานภาคตะวันออกเสียงเหลือคือพระอาจารย์เสาก็ได้กล่าวว่าเวลานี้จิตของเรามันได้เคยหยุดทิพมีแต่ความคิพตลอดเวลาโลกเต็มสงครามอยู่ในสําลักู้รู้เท่าไม่ถึงตา ก็เข้าใจว่าอาจารย์เสื่อมก็และอเสรแล้วท่านอาจารย์บั้นก็กล่าวว่าจะปล่อยให้จิตมันว่าให้มันมีงานทำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จุดสำคัญอยู่ที่ตรงที่ว่าเราต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทําสติให้มีสิ่งระลึก อันนี้เป็นหลักการภาวนาตามแบบของพระธรรมระสำขเทศก า, าการภาวนาตามแบบของรัติการนาพรามงที่จะทําจิตให้ว่างทําจิตให้สงบทําจิตให้ละเอียดจนได้บรรลุสมาบัติแตกแต่ปัจจุริงหลักของการทําสมาธินี้เป็นหลักฐานบนทั่วไป ไมเฉพาะจะมีในศาสนาพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราเรียนสมาธิในสำนักอุตตกาดาบทและอาราระดาบทเรียนไดจนกระทั่งจบหลักสูของอาจารย์ทั้งสองอุตตกาดาบทอาราระดาบทเก่งในการาในทางทำสมาธิเพื่อเข้าทางสมาบัติ เคยทานเจตให้พันลุทานที่หนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, แ่แปลภาษาอาตายัาสารังจายัชนะวิญญารังจายัชนะอาชินัญญายตนะเวทสัญญา น, า, น, า, น, น, า, นาสัญญ า, ายตชนะจนได้พันลุสมาตัแตกในคันที่ท่านกล่าวว่าเอเตในอันดับสมาติขั้นที่แตก เป็นสภาพจิตที่สงบนิ่งว่าเป็นจิตที่ละเอียดจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไห้มีสัญญาก็ไม่ใช่ปสิเสธใะรับรองไม่ได้ักรายท่านจึงบรรญัติทาคพระท่านนี้ว่าในวัญญาอาสัญญาจะตั้งเมื่อท่านโคบันเท็นจิตไปถึงทานทัานนี้ความเข้าใจของท่านูภนัน ก็เข้าใจว่าท่านสำเร็จอรหันต์แล้วหรือสำเร็จนิพพานแล้วแต่แท้ที่จริงนั้นไม่ใช่เรื่องการสำเร็จนิพพานหลวงปู่ฤาษีเขาไปสำคัญเอาแต่เพียงว่าจิตมีความบริสุทธิ์สะอาดเฉพาะในเวลาอยู่ในสมาธิเท่านั้นก็เป็นพอ แต่พาออกจากสมาธิอันละเอียดมาแล้วจิตจะรับรู้อารมณ์มีความดีดจิตร้มีอาการของจิตเหตเกิดใก้สำคัญโดยเขาคิดว่าเวลาจุดใกล้จะตายเขาเรียกกำหนดจิตเข้าสมาธิแล้วก็ได้สำเร็จตาิพานไปเลยดางมีพุทธบริการทางท่านมีความเข้าใจเจนนัน เข้าใจว่าการจากปฏิบัติสมาธิเพื่อบรรลุพระนิพพานเป็นของงา่ายไม่ต้องไปจำเก็ฑในปัจจุบันนี้ก็ะดับเรารู้หลักการแล้วส่วนตวนจะตายก็กําหนดจิตเข้าสู่พระนิพพานไปเลยปานนี้แต่วความรู้สึกเชนี้เป็นความเข้าใจจิตจะเป็นการตูถูกพระนิพพานว่าเป็นของงา่ายจนเกินไปปานจริงเขาก็เข้าใจว่าเป็นของงา่าย พระนิพพานตามความเข้าใจของเขาไม่ตรงกันกันกบของสมเดจพระสมาสามพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก่อนอื่นท่านก็อไปเรียนสมาธิในสัมพันธของอาจารย์ทั้งสองดังที่กล่าวมาและาาาาสามารถด้ทยใจธรรมสามารถทัจิตให้ได้ทานสมาบัติ จะมีความเข้าอันนีความสามารถเข้าออกทานได้เข้งแข้งว่องไวยิ่งกว่าอาจารย์ผู้สั่งสอนจนกระทั่งอาจารย์ทั้งสองไม่มีปัญญาจะสอนท่านชายสิทธาถาอไปอีกแล้วเป็นอันวาจนปัญญารอบพรมของท่านเหล่านั้นเส่งสุดกันเสียงแค่นั้น แต่ดอยวิสัยของพุทธภูมิย่อมเป็นตรงเป็นผู้มีพระสัญญารีคาเฉลียวฉลาดละองไม่ได้ติดแต่ความสงบหรือความบริสุทธิ์สอาดแห่งจิตภายในสมาธิขั้นละเอียดเมื่อออกจากสมาธิขั้นละเอียดมาแล้วมาประสบอารมณ์ที่รู้ในตาหูสมูงเลกลงกายในใจอาการของกิเลสคือความยินดีจิรตร้ก็ยัางปรากสุดด พระองค์จึงสันนิษฐานพระองค์เองว่าเรายัางไม่สําเร็จไม่สาเร็จพระอรหันต์หรือไม่สําเร็จรพระนิพพานไม่สาเร็จความเป็นสัพพะตัมพุสเจดจ์ดังนั้นพระองค์จึงหวนมาต้นฟ้าพิจรารณาโดยที่พยายาม ท, ำามามทํำสมาธิการหลักเกณฑ์แห่งการทําจิตจให้มีสิ่งรู้ทำติดให้มีสิ่งระลึก แต่อาศัยสมาธิที่ได้บำเพ็ญมาจากกำลักฤทธิ์ทั้งสองตนนั้นเหมือนกันเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในเมื่อารสมาสามพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นรสมาสามพุทธเจ้าเป็นปาสดาเอกในโลกเมื่อพระองค์เผยแก่พระพุทธศาสตร์โดยประกาศธรรมะ าาการปรอาศัยหลักการอัำตามาธิที่ได้ดําเนินมาทั้งในสำรักของอาร า, ลาและาบดแปลนที่พระองค์ทรงตรงรง้นฟ้าโดยพระองค์เองเป็นหลักแห่งการปฏิบัติในเมื่อบัญญัติศาสนาตั้งศาสนาให้เป็นหลักฐานมั่นคงในโลกแล้วเงปราโกรธเทสดยอดแห่งสมาธิอยู่เป็นสองประการ เรียกว่าทานการเข้าสมาธิแบบโลสีเป็นการเข้าทานเหมือนกันแต่ทานของโลสีเป็นทางที่มีจิตใจรู้ในสิน่งสิ่งเดียวถ้าจิตสงบเงี่ยงลงไปแล้วไม่มีสิ่งรู้จิตก็รู้อยู่เพียงในจิตถ้าหาว่าจิตแท้งสินน่งใดก็เกิดอิดจนเกิดอกถ้าหายเมิตาจิตก็รู้อยู่ในสิน่งสิ่งเดียว และไม่มีอาการแห่งความโลภที่จะเ ป, ปลี่ยนแปลงโลภสิ่งใดจะโลภอยู่เพียงสิ่งทั้นเพียงอันเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่าอารัมมโนปนิพันธ์เป็นทานพวกลูศิในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแต่ทางของพระพุทธเจา้านี้หมายถึงอารัมมโนปนิพานถ้าจะหมายหมายถึงลักคนูปนิพาน ท่านที่มีจิตสงบตั้งขัดนลงเป็นสมาธิแม้จะอยู่ในขั้นของอุปจาระสมาธิก็ตามอัปปนาสมาธิก็ตามจิตก็มีความรู้มีความเบลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตมีความรู้ในขั้นอุปจาระสมาธิรู้อะไรแล้วมีสมมติปัญญาชั้นโลอ่าช่้นู้ภาที่นี้จิดก็รู้ว่า โลภาคิมิตในมิสมัตปัญญาเทียรภาคในมินั้นว่าเป็นอะไรเป็นเทวดายนสมยมยับอาการใดจิตย่ำเรียกคือสิ่งหลัาสิ่งนั้นนั่นได้แม่แตพิจารดารู้ภายในกายของตนเองเช่นอาการสามจิตสองจิงก็ยังเรียกว่าผมคนเดมปันนังแม่แตพิจรารณาภาคกรรมฐาน เจนก็สามารถที่จะรู้ดิ่นน้าลงไปโดยสมมติปัญญัติอันนี้เป็นเพื้นฐานควารู้ในขั้นอุปจาระสมาธิรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็มีสมมติปัญญัตี่ติดจะต้องเลือกสิ่งนั้นๆว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเจนสงบละเอียดยิ่งลงไปกว่านั้นจนกระทั่งถึงขัน้นพัฒนาสมาธิเจนก็ยังมีสิ่งรู้ปรากฏอู่มืนกัน แต่ความรู้ในคันน้งนี้จิตรู้อะไรแล้วจะรู้อยู่เฉยๆไม่มีสมมติปัญญาภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรเช่นมองเห็นอาชีพเป็กระดูกจิตก็ไม่เรียกว่ากระดูกจะรู้อยู่เฉยๆเมื่อมองเห็นว่ากระดูกมีการเปลี่ยนแปลงเกิสลายตัวจิตจะรู้อยู่เฉยๆไม่พิจารณาอาการแห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆ แม้จะรู้เห็นสิ่งได้ๆก็ตามจิตจะเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆไม่สมวัตปรัติสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรและจิตจะมีความรู้ปรากฏขึ้นในขานธ์ยัติจิตก็เพียงแต่กำหนดรู้อยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ภาวนาไม่มีสัญญาเจตนาใดๆจะไปเจือพุนจิตอยู่ในภาวะแห่งวาเาตนเองโดยธรรมชาต โดยอาศัยพลังที่เกิดจากการอบรมศิตสมาธิป <c oughs> ัญญาให้บริสุทธิ์สากลายเป็นอธิสิอธิจิตอธิปัญญาเมื่อจิตของเรามีอธิสิอธิจิตอธิปัญญาจะมีสภาวะรวมพลังลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอปาญโนมัสโถสิ่งที่ตากฏเด็นชัดอยู่ในจิตของผู้เป็นเช่นนั้นก็คือสติที่น่ายู แติตไม่ลโยตัวนี้จะเป็นมีลักษณะพวกคุมดูแลเลยจดต้องดูอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้วราจิตของเราจะรู้อะไรขึ้นมาก็ตามสักแต่ว่ารู้รู้แล้วกว็ปล่อยวางไปอันนี้คือลักษณะของทานที่เลาพรเจ้าได้บรรลุและได้นำมาสั่งสอนพวกเรา ส่วนมากนักปฏิบัติทั้งหลายจะเข้าใจว่าจิตอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิหรือในขั้นสมถะรมาธิจิตจะไม่มีความรู้จะไม่มีปัญญาแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นการปฏิบัติทั้งสายพระพุทธเจ้าทั้งสายของศาสนาปรับก็อาศัยหลักสมถา ส, สมาธิเปิดัน แต่ในาศาสานาตามเขาไม่เล่นวีปัสสนาม่งเฉพาะที่จะทําจิตให้สงบละเอียดใกล้บรรลุฐานสมาบัติเป็นพอแล้วและวัตถุประสงค์เข้าการบาเพ็ญในป า, าสานาตามม่งสู่อิทธิฤทธิ์เพื่อจะให้มีอิทธิฤทธิ์พอเอเดินอ า, าออบากเกิดอปิญญารูแ้แจ้งเห็นจิตเห็นจริงในสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของโลกีย่ำทำไม่เป็นเรื่องของโลกุตตะลัง ใครที่สามารถกำหนดูลวาลกิตของคนอื่นได้ความนนี้เรียกว่าอัคคิ ญ, ญาใครสามารถที่จะโล่สิ่งที่ค่อนตัวอยู่ในที่ได้รับเคร่งตาเนุษธรรมดามองไม่เห็นความรู้อย่างนี้เรียกว่าอัคิน ญ, ญาพวกศาสนาครามทั้งหลายเขาบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดอัคคินญาตัมที่กล่าวมาแล้วนี้ แต่สมาธิในสายของพระพุทธเจา้าาำเป็นสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญาในด้านที่พัฒนาเพื่อจะได้นําระโยชน์พิพาทของพลังงานคือสติสัมปชัญญะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจาวันแก้ไขปัญหาข้อข้าใจในกิเลสและอารมณ์ของตนเองได้อันนี้สป็นวิถีทางจำเป็นสมาธิตามแบบพระพุทธเจา้า ในเมื่อเรานำจังประมวลหลักแห่งการปฏิบัติโดยทั่วๆไปให้สรุปลงเป็นหลักการที่ยอดและเข้าใจง่ายที่สุดเราจะนโหลดหมายได้เพียงสามหลักเท่านั้นจุดเดินของการบาเพ็นสมาธิหลักสำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้ตั้งใจจปะปฏิบัติสมาธิ ขอได้โปรดท่านสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดุจธรรมผู้คิดผู้ลมหายใจการกำหนดสฏิตามรู้การายืนนอนอายืนเดินนั่งนอนรับทานดุจธรรมผู้คิดผู้ลมหายใจเป็นโอบาสเปิดผ่าจิตให้มีสติสำขจัญญให้เกิดการสารวมระวังสํารวนที่ไหนลํารวดที่ตาหูสมูกเล่นกายแล่ใจ และสำรวมจิตทั้รวมใจสำ้รวมในสิ่งทัง้งปวเพื่อสากัดกั้นกิเลสและอารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้นการปฏิบัติเช่นนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดพยายามดำเนิ น, นปฏิบัติการแบบที่ว่าทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับฐานรือความโกรธที่วบลมหายใจในมาท่านเกิดขาดจนกล้องตัวแดว ท่านจะปรากฏลักษณะอันหนึ่งในความรู้สึกภายในจิตของท่านเรือว่าเมื่อท่านจะก้าวย่างไปที่ไหนทำอะไรแม้การทำการพูดการคิดปฏิของท่านจะตามรู้สิ่งนั้นๆโดยอัศโลมทีแรกท่านอาจจะควบคุมท่านิตทำปฏิตามรู้สิ่งดังกล่าวด้วยความลาบากยากเห็ แต่เมื่อท่านพยายามฝึกชันบ่อยๆเข้าทําให้กล้องตัวทําให้คำนิชํานานโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งะระลึกพลังของสมาธิย่อมเพิ่มขึ้นทุกทีพลังของสติย่อมเข็งแรงขึ้นทุกทีได้มาจิตมีความมั่นคงต่อการที่จะกําหนดอาการดังกล่าวหรือสติมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมการกําหนด น, น, นั้นเองโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าท่านจะเคลื่อนไหวไปมาทางใดสติของท่านจะตามรู้อาการแม้แต่ความรู้สึกและคิดสติก็จะทําหน้าที่ของต้าไปเองโดยอัตโนมันติการเกิดขาดสมาธิแบบนี้ท่านจะไม่พบอุปสรรคใดๆมาขัดขว า, างการปฏิบัติเพียงแต่ท่านกําหนดจิตท่าำสติรู้ไว้ที่เด็กเทียงอย่างเดียวเมื่อท่านเข้าวไป ท่านต้อไม่จำเป็นแต่ต้องไปนึกว่าก้าวหนอยท่านก้าเดินท่านย่อมรู้เพราจิตเป็นผู้สั้งท่านจะยุติเจ็บเขาย่อมรู้เพราจิตเข า, าเป็นผู้ตั้งท่านจะรอนย่อมรู้จะนั่งย่อมรู้เพราจิตเขาเป็นผู้ตั้งจะละกทานเดินทำพูดคิดย่อมรู้เพราจะจิตเขาเป็นผู้ตั้ง เราจะนั่งทุกสิ่งทุกอย่างสาเร็จแล้วสิฐิมโนภกมิพันธ์ธรรม า, า, ม, ามโ น, โนเสถษฐามโนโมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นผู้ตึงก่อดมีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วแต่ใจเราจะนั้นภายในร่างกายของเรานี่ใจเป็นใหญ่ความเคลื่อนไหวไป่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การคิดใจเป็นผู้ปกครองเท่านั้น เนื่อมาทำปฏิบัติมาทำสตลลิกําหนดรู้ไว้ที่ใจเพียงอย่างเดียวเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นที่ตายใจเขายอมรู้เพราะกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ใจย่อมรู้เรื่องของตายแม้ในขณะนี้ท่านนั่งหลับตาอยู่หลมพัดมาต้องตายของท่านท่านก็รู้รู้โดยอัโตโนมัติโดยที่ไม่ตั้งใจ ถ้าหาเคยมาแรงมาเกาะผิวหนังของท่านท่านก็รู้รู้เองโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจทําไนไม่เป็นเช่นนั้นตัวกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เมื่อตายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นที่กายใจเขาต้องรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมตันโดนทิธรรมปฏิรู่ไว้ฏิเที่ยงอย่างเดียวเท่านั้น เราก็จะสามารถรูปความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดเช่นอย่างสมมติว่าท่านจะกำลดจิตคอยเจ้าความคิดที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในเมื่อความคิดอันใดเกิดขึ้นท่านทำสติรู้เมื่อท่านทำสติรู้ความคิดจะหยุดว่างหยุดเพียงนิดเดียวพอเผลอตัวแล้วความคิดจะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำสติรู้เป็นลําดับสลำดับไป จนกระทั่งพลังของสติของท่านมีพลังแก่กล้าขึ้นสติในความคิดเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติในเมื่อจิตมีความคิดสติจะทําหน้าที่ตามรู้ในขณะที่จิตของท่านมีความคิดแต่สติทําหน้าที่ตามรู้อยู่นั้นในเมื่อทั้งจิตทั้งสติทั้งพลังของสมาธิพลังสติสัมปัจัญญะมีความแก่กล้าขึ้น เจดองท่านจะสามารถกำหน ด, ดรู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่เกิดดับอยู่กับจิตเมื่อเจดมีความสัมพันธ์มั่นหมายดูอยู่ที่ความเกิดดับเจดก็ย่อรู้ความเปลี่ยนแปลงของความเกิดดับของความคิดที่ปรากฏขึ้นในจิตเมื่อเป็นเชนั้นเจดของท่านก็เกิดอนิจจสัญญาสามารถที่จะตกำหน ด, ด, ดรู้ความชั่เที่ยงของความคิด แล้วเจตของท่านก็จะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติ